ตอนรู้เห็นเป็นธรรมวันที่ส4ส่สิงหาคม2559กหาราสบกาบมชการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเม่ชีกลัลไลมิตรทุกท่านก็นั่งสบายสบายเนาะก็วันนี้มีคำถามนะมีคำถามช่วงเข้าไปในจิตในจิตแล้วรับรู้ถึงความทุกข์รู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาด้วยความเจ็บปวดจากยากเหนือหรือน้าตาจากของตัวเองไม่ก็ผู้อื่นจนบางทีไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปหรือไม่ก็นอนไปไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมคะหรือคิดปุงแต่งไปเองขอแนะนำด้วยค่ะว่าจะอยู่กับทุกอย่างไร ไม่ให้เป็นทุกข์ก็อย่าไปทุกข์กับมันนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะการที่เราเข้าไปในจิตในจิตเนี่ยเราจะเสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมเนี่ยไม่ใช่วิชาการไม่ใช่ความรู้แบบนั้นคือธรรมลมธรรมลมที่ฝังจิตใต้สํานึกเราเป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้นนะเราไปเสพตรงนั้นมันจะมีทั้งสุขทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจ มันเป็นเวทนาในอดีตได้หลายชาติที่บันทึกไว้กลายเป็นธรรมในธรรมธรรมรมณ์นะแล้วไปเห็นทุกข์ก็ดีแล้วเนี่ยช่วงที่เห็นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่สักแต่ว่าเห็นปุ๊บเราจะถูกอารมณ์นั้นน่ะดึงจมไปกับมันแล้วไปทุกข์กับมันเลยทุกจนไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะนอนหลับให้มันหายไปเลยนะอันนี้แสดงว่าเราถูกอารมณ์นั้นครอบงาเราไม่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเราเรียนรู้กับมันว่า กว่าจะได้อะไรมาสู้ตายไงมันทุกทั้งนั้นทุกวันนี้เราไม่เห็นทุกคนก็สู้ตายหมดเราเข้าโรงเรียนก็ถูกสอนให้เลงเก่งๆหาเงินเยอะๆมเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขนะวิ่งตามหาความรวยวิ่งตามหาอนาคตคุณแม่ก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะให้มันเก่งๆนะเพื่อเพื่ออนาคตลูกลูกก็คิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงลูกนะ ทุกหาก็ห่วงใหญ่แต่เนื่องจากอนาคตของลูกก็ต้องอดทนลูกก็เพื่อต้องการอนาคตให้พ่อแม่ดีใจลูกก็ต้องอดทนเราเอาอนาคตเป็นที่ตั้งเราไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้งสมมติว่าลูกจบมาเป็นด็อกเตอร์ได้เกียรติยศอันดับหนึ่งองค์การนาซาบินมาเซ็นสัญญาเลยนะจ่ายก่อนห้าแสนล้านขึ้นไปอยู่ดาวอังคารนี่50ปิปีนะแล้วก็เดือนหนึ่งกี่กี่ล้านก็แล้วแต่ เราไปนั่งดีใจว่าลูกฉันสําเร็จแล้วดังมากนะได้เงินเต็มบ้านเลยนะความสําเร็จเกิดจากการภาคจากความรักตอนนี้เราไม่เอาชีวิตเราเอาความสําเร็จในทางวัตถุเป็นที่ตั้งเราไม่เห็นทุกข์เลยเราไปมี ค, ความพึงพอใจนะเราเรายินดีที่จะไปทุกข์กับสิ่งที่นั้นเพราะว่าเราต้องการมีอนาคตแต่พอเราเข้าไปในจิตในจิต เราเป็นเห็นทุกในอดีตแล้วนี่เราเห็นมันเลยเห็นจนเราเกิดสังเวชนะเกิดความเศร้านะมันจะทําให้เราเกิดนิพพานลมนะความเบื่อหน่ายไม่เบื่อจนไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยอยากนอนหลับแล้วหายไปเลยเห็นไหมความเบื่อทําให้เกิดปัญญาทําให้เราไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นในชีวิตปัจจุบันที่เราไปหลงมันอยู่แล้วก็กลับมามองชีวิตเอเวลาชีวิตที่เหลือนี่จะทํำยังไงนะ ทุกวันนี้ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตเนี่ยล้วก็หลงระเิงกับไอ้ความรู้ผิดที่เขาใส่ให้เรามาตั้งแต่เกิดเรี้ยงเก่งๆนะลูกหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขเป็นแพ็กเกจเป็นชุดวิชานะอันนั้นทุกแต่ไม่เห็นทุกนะบางทีดึกดื่นไม่นอนเด็กก็เป็นเด็กดีขยันเรียนอยากสอบได้ตีหนึ่งตีสองตีสามไม่นอนนะ เออตื่นช้ามาตรงเรียนง่วงนอนมากก็ไปกินกาแฟให้ให้มันตื่นนะเพื่ออยากมีอนาคตเราทำร้ายตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวนะอันนี้เราคือสังคมทุกวันนี้นะเราทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์แต่พอเราเข้าไปในจิตในจิตเราเห็นทุกข์ลนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นความจริงธรรมนี้คือความจริงนะธรรมนี่มีคือความจริงมันมีสองด้านมีทั้งสุขทั้งทุกข์ เราก็เห็นแล้วว่ามนุษย์เรามีทุกเป็นประธานนะผู้เจ้าไปตัดสลัวอดีตศัตสรสีคือทุกสมุไทยนิโรธมักนะทุกนี่ต้องต้องรู้ต้องเห็นสมุไทยคือตัวตันหาต้องดับมันต้องทําลายมันให้ได้ต้องดับมันให้ได้นิโรธต้องทําให้ถึงมักคือขนทางมุ่งสู่ความพ้นทุกนะถ้าเราไม่เห็นทุกเราก็หลงระริงในความสุขนี้หาความสุขนานมากบเกินความทุกเรา ชีวิตเราหนีทุกตลอดเราจึงไม่เห็นธรรมไม่เห็นความจริงแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตฉันสุขดีนะอันนี้ก็ถ้าใครมีสภาบาลนี้พระครูให้เคลื่อนมือตลอดสัตธรรมรู้สัตธรรมเห็นนะเอ่อสัจธรรมสัมผัสอะไรเนี่ยเข้าไปเนี่ยเห็นนิมิตต่างๆก็สัตธรรมเห็นนะเห็นอารมณ์มันทุกข์ก็สัจธรระรู้อันนี้ไม่สัตธรรมว่าล้ว เกิดจะฆ่าตัวตายด้วยไม่อยากจะตื่นด้วยเห็นไหมอันนี้เราไม่สักแต่รู้สักแต่ว่าเห็นเราถูกอารมณ์นั้นเพราะชีวิตเราเนี่ยชอบสุขกิเลียชอบสุขนะพอสุขแล้วดีใจจังเลยน ะ, ะมีความสุขพอไปเห็นทุกข์เลยไม่พอใจนะถ้าไปถามทาสานเขารู้จักสุขรู้จักทุกข์ไหมไม่รู้ไม่รู้ทาสานมันเจ็บมันไม่ได้ทุกข์นะ มันแค่เจ็บแต่เราเจ็บปุ๊บเราทุกข์เพราะเราไม่อยากเจ็บนะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่อยากที่เราสุขก็เพราะเราอยากนะเราอยากได้พอใจยอยากสะดกสบายเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราสุขเป็นอุปทานทั้งนั้นมันไม่ใช่ของจริงนะอันนี้ก็คำตอบว่าระวัง อย่ากลัวเข้าไปอีกนี่แหละคือเข้าไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไปเรียนรู้กับธรรมในธรรมธรรมมลมนั้นนะ่ะนะธรรมเนี่ยคือความจริงมันมีของคู่นะไม่ใช่ธรรมะที่เราเข้าใจว่าธรรมะเป็นฝ่ายบวกทั้งหมดนะไอ้ธรรมในธรรมนั่นมันมีทั้งบวกทั้งลบนะมีทั้งดีกับชั่วทั้งสุขกับทุกข์ให้เราไปเรียนรู้กับมันมีของคู่แล้วก็ทั้งสุขทั้งทุกข์ ความรู้สึกเราเนี่ยอย่าไปติดมันนี่คือทางสายกลางนะทำใจกลางๆยอมรับมันเอ อ, อความรู้สึกเรารู้สึกสุขก็รับมันรู้สึกทุกก็รับมันแต่อย่าไปหลงมันโอเคนะอันนี้เขียนเหมือนจดหมายเลยนะก้าสิงหาคม2อง9ันห้าห้าสิบเก้าถึงพระครูที่เคารพเหนือเสียนเก้ากระผมนายสมพงษ์ ด่วมทวีบอกหมดเลยนะเขาเขาคงไม่คงให้พรอกูเปิดเผยได้เนาะอยู่บ้านเลขที่สิบเก้าแขวงบางนาเขตบางนาถนนอุดมสุขซอยอุดมสุข42สี่สิบสองแยกซอยสี่สิบสองแยกห้ากทมหนึ่งบสองหกบอกบอกหยมาด้วยเนาะผมปฏิบัติธรรมอยู่กับญาติธรรมชาวอาโศก ที่สันติอโศกถนนนวมินโดยมีพ่อครูส ม, มณะโพธิลักษ์เป็นผู้นำชุมชนท่านสอนเหมือนพ่อครูทุกอย่างเริ่มจากโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดเป็นต้นครั้งหนึ่งในงานปลุกเสกพุทธแท้แท้พุทธแท้ท แ, ททแท้ของพระพุทธเจ้าที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์เช้าวันหนึ่งประมาณเวลาหจศนน เริ่มฟังธรรมสามจุดศูนยูนอกระผมเห็นแสงสว่างลง่งทั่วบริเวณศาลาฟังธรรมมาผมขอกราบเรียนถามพ่อครูบัญจาว่วากระผมบรรลุธรรมชั้นไหนทุกวันนี้กระผมคิดว่ากระผมคิดว่าผมไม่ทุกข์ไม่กลัวแม้ที่เรียกว่าความตายซึ่งกระผมเห็นว่า เป็นเพียงเรากลับไปสู่จุดเดิมที่เรามาคือความว่างเปล่าจากความว่างเปล่ากลับสู่ความว่างเปล่ากาบคาลวะนะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งตอนนี้เราบีซี่มากเรามีกิจกรรมเพื่อจะแบกมันนะหนักก็ไม่หนักก็ต้องอดทนเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เพราะเรา เราอยากทำหน้าที่แต่วันไหนเราวางลงเนี่ยเราก็รู้สึกมันเบารู้สึกมันว่างนะมันเป็นสภาวะทำอย่างหนึ่งบางทีมีเรามีพื้นฐานของทานอยู่แล้วนะแล้วมีพื้นฐานของศีลแล้วการนั่งฟังธรรมเนี่ยมีสมาธิตั้งมัน่นนะฟังไปเรื่อยๆถ้าจิตมันจดจ่อตั้งมัน่นแล้วบางทีมันปิง้งมันเหมือน ถ้ารู ป, ป้องกดไอ้ปมสงสัยเราอีกก้อนหนึ่งออกไปปุ๊บความสว่างจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเห็นแสงธรรมนะอันนี้เรียกว่าปัญญานี่เกิดจากสุตมยะปัญญาเกิดจากเราได้ยินได้ฟังนะก็ส่วนขั้นไหนนั้นอย่าไปสนใจมันถ้าสนใจแสดงว่าถ้าเราบรรลุธรรมสุดท้ายจริงๆไม่มีข้อสงสัยไม่ต้องถามโดยขั้นไหนนะ อันนี้ก็เราดวงตาเห็นธรรมก็คือว่าเราเห็นแสงธรรมมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเดินต่อไปนะก็เดินต่อไปแม้กระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะในวันวิสาขาบูชาตัสรู้ธรรมบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วพระองค์จบกิจแล้วเวลาที่เหลือ 45, สี่สิบห้าพรรษาพระองค์ก็ทำเพราะธรรม นะทำหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายไม่มีความลังเลสงสัยนะข้อกังขาว่าเรามีขั้นไหนขั้นไหนมันจะไม่มีนะก็มี ม, มีมีมาถึงปุ๊กนะปุ๊กมีน้องคนหนึ่งฝากข้อความมาถามกุ้งเลยมาขอคำปรึกษาหน่อยเมื่อคืนนั่งสมาธิเอียงแล้วแบบ เหมือนลอยไปในอากาศเลยรีบดึงกลับแบบกลัวแล้วร้องไห้มีอาการเวียนศรีศรษะจะอ้วกนะอันนี้แสดงว่ากลัวตายเราจะไม่ไปนิพพานด้วยความกลัวไม่ได้นะเหมือนมันลอยฉันจะไปไหนไม่รู้นะฉันคงภาคจากสิ่งที่ฉันรักมันเป็นสัญชาตญาณแล้วก็ดึงกลับมาพอดึงกลับมาปุ๊บมัน มันนู่ดตู่เลยมันจะเกิดความกระอักกระอ่วนมันจะอาเจียนปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยตอนนั้นเหมือนเหมือนเราจะเดินทางผ่านเนี่ยนะเหมือนเขามาตรวจว่าให้ตัดแขนเธอถ้าเธอไม่ตัดแขนเนี่ยเธอผ่านไม่ได้ถ้าเรากลัวเราถูกตัดแขนเราก็ไม่กล้าผ่านนี่แหละมันประเมินเราว่าเอาจริงไหมเหมือนจิตมันลอยออกเหมือนลูกโป่งมันลอยแล้วเนี่ย มันมียางหนังสติ๊กดึงไว้ดึงที่หัวใจมันบอกว่าถ้ายางขาดปุ๊บมีเธอขาดใจนะเห็นไหมใจมันสั่นมากๆเลยเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าใครเจอแบบนี้ตายเลยนะอย่าอยู่ไปเลยมันทุกนะเห็นไเนี่ยอันนี้คือความกลัวทำให้เสื่อมความกลัวทำให้เสื่อมต้นเหตุของความกลัวเกิดมาจากความอยากอยากปลอดภัยกลัวมไม่ปลอดภัย นะชีวิตเราก็เป็นแบบนี้ที่เราทุกข์เพราะเรากลัวที่เรากลัวเพราะเราอยากอยากสําเร็จกลัวไม่สําเร็จก็ทุกข์อยากปลอดภัยกลัวไม่ปลอดภัยก็ทุกข์นะอันนี้เมื่อเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยไอทำมาลมที่ฝังหรือมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบมันจะผุดขึ้นมาอันนั้นแหะคืออาจารย์เราเพราะครูถึงให้เครื่องมือนะเหวียงทิ้งนะไม่ใช่เหวียงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่เหวี่ยงความกลัวทิ้ง ก็รู้สึกกลัวปุ๊บรู้เท่าทันมันไม่ต้องไปกลัวตามมันเวียงความยิบมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งคือเตือนเราว่าสักก็แปลว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอันนี้พิจารณานะถึงกงลัวไงนะลึกมันพิจารณาว่าเกิด ม, มันไปแล้วมันจะกลับมาไม่ได้ใช่คงตายแน่แนก็เลยดึงมันกลับมาอันนี้เสียโอกาสแล้วเนาะกว่าจะได้พุทภาวะนี่บางทีต้อง ต้องสร้างพลังเบี่ยงอีกนานพอสมควรนะ๋ยวาไปอยู่เลยตายดีกว่าเนาะอยู่ไปทำไมนะหิวข้าวก็ไม่มีข้าวกินก็ทุกข์อีกเห็นไหมล่ะเหนื่อยก็ทุกข์อีกนะถ้ามันมันตายง่ายๆแบบนี้ถ้าใครสามารถตายในกรรมฐานได้นะสุดยอดเลยนะเนาะ อ, อันนี้นี้หนีออกมาเลยเห็นไหม มินลูกสาวหลังจากกลับมาจากศูนย์เริ่มละลึกชาติได้รอบละสิบชาติวันหนึ่งสิบยี่สิบชาติจะรบกวนขอแนะนำขอคำแนะนำพวกครูในส่วนของเด็กค่ะพี่มีคอยถามแนะนำลูกให้เข้าใจวิถีเรียนอดีตทั้งหมดเพื่อใช้ข้อมูลมาเดินต่อเดินอย่างไรไม่ให้ติดกับดักเดิม ให้เอดี D ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนยี่สิบนาทีช่วงเช้าให้โฮโฮไม่ปล่อยก็คือว่าดึงดึงไม่ปล่อยให้มันเข้าไปในจิตมากเนาะช่วงอยู่โรงเรียนให้เช็คอัพบ่อยบ่อยเท่าที่ทำได้เช่นเข้าห้องน้ำก็ทำสักหนึ่งสองนาทีช่วงก่อนนอนทำพร้อมกันส0สิบนาทีปล่อยให้เข้าจิตได้มีวันหนึ่งเขาเห็นแต่เกิดตายเกิดตายหลายๆชาติ ซ้อนกันร้องไห้มีแค่นี้เหลือเกิดแล้วตายเท่าที่คุยดูผ่านเร็วอยู่ค่ะมีแต่ชาติที่หนักๆจะซ้ำสองสามรอบตัวกรมที่จะที่เจอจะแนวหนักฆ่าเพื่อนผลักตกฆ่าคนรักตอนเป็นเศรษฐีที่เศรษฐีนีอินเดียฆ่าเพื่อนที่หักหลังตอนเป็นจกักรพรรดิยุคโลมัน ถูกเพื่อนฆ่าตอนเป็นทหารถูกอบแก๊สในช่วงฮิตเลอร์แสดงว่าเป็นยิวเนาะรันไปทุกวันค่ะดูยังโหได้เพิ่งเปิดเทอมเริ่มไปโรงเรียนวันนี้เขารู้สึกตังวลค่ะพี่ยาเนาะเป็นคนเขียนมาพี่ยาเป็นคนทำโปรแก ร, รมที่เมื่อวานเราเปิดหนึ่งนาทีเนาะ ลูกสาวเขาวันนั้นก็มาด้วยเนาะบางทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายชาตินะเกิดตายเกิดตายเกิดตายมีคุณมดนะมาปฏิบัติปุ๊บเดินแค่เดินไปห้องลงอาหารเนี่ยนะล้มลงไปตายล้มลงไปตา ย, ล, ตายลุกขึ้นมาเกิดล้มไปตายเนี่ยไม่รู้กี่ชาติกว่าจะถึงห้องอาหารนะมันทำให้ตายให้เข็ดเลยเนี่ยคือคนเราไม่เหมือนกัน คือเนี่ยคือตายก่อนตายตอนตอนเช้าเราฝึกมรณานุสติอันนั้นอันนั้นเราจินตนาการนะมันเป็นอนุสติคล้ายๆเราเราตั้งโจทย์ว่าเออถ้าเราตายเวลานี้มันเป็นการเตือนสติว่าถ้าเราตายเวลานี้เราพร้อมไหมอันนั้นเป็นแค่อนุสติเกิดจากการจินตนาการแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเราไปเสพอารมณ์ตายจริงๆตายจริงๆในอดีต มีชาติตายดีบ้างตายชั่วบ้างตายทรมานตายตายง่ายๆบ้างนะบางทีบางชั่วโมงเนี่ยหลายชาติเลยนะตายจนเราเบื่อเบื่อหน่ายที่จะไปเกิดอีกล้นะอันนี้คือจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตอนนี้ลูกสาวพิยาก็ทาตรงนี้ได้แล้วก็พ่อครูแนะนำว่าเดินสายกลางเด็กวัยนี้เขาก็ยังเรียนอยู่นะแต่ ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะบุ้งนี้ผ่านจริงๆก็ไม่ต้องเบรกหรอกลุยนะเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีสถานภาพไม่เหมือนกันมีเหตุสร้างมามีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันนะบางคนว่ากลัวว่าบรรลุแล้วเนี่ยเออจะต้องหนีไปอยู่ในป่าอะไรไอันนี้เข้าใจผิดนะพระพุทธองค์เนี่บรรลุแล้วจากป่าเนี่ยออกมาจากป่าเข้าไปในเมืองไปโปรดสัตว์เนาะ ยิ่งทำหน้าที่มากกว่าเก่าดีกว่าเก่าแต่ทำด้วยความไม่ทุกนะอันนี้ก็เดินต่อไปแต่เอาพอดีนะเอาพอดีเท่าที่หน้าที่เขาต้องเรียนอยู่ดูว่าจะทำได้แค่ไหนคาถามนะความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมต่างกันอย่างไรนะมันต่างกันเพราะอันนึงเป็นธรรมอันนึงไม่เป็นธรรม เนี่ยก็ต่างกันแล้วไงอันนึงเป็นธรรมอันนึงไม่เป็นธรรมเนอะมันก็ต่างกันภาษาก็ต่างกันแล้วเพียงแต่ว่าเป็นธรรมเนี่ยธรรมนี่คืออะไรธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติมีของคู่มีทั้งกุศลและอกุศลมีทั้งขั้วบวกขั้วลบมันเป็นของคู่นี่คือธรรมนะมันเป็นธรรม มันเป็นธรรมของคนนี้คนแปลงคนนี้คนนี้เขาคนเป็นคนชั่วก็เป็นธรรมของเขาเป็นธรรมดาของเขาคนนี้ดีก็เป็นธรรมของเขานะส่วนไอ้คาว่าเป็นธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติทาอะไรที่เป็นตามธรรมชาติเนี่ยทาหน้าที่ตามธรรมชาติที่เราฝึกทุกวันเวลากินเราก็กินเวลานอนเราก็นอนนะแต่ถ้าว่าไม่ใช่เวลากิน เราไปกินเพราะมันอร่อยอันนี้ไม่เป็นธรรมมันเป็นกิเลสมันเป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคือตัวทุกข์มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมดามันเกิดจากความอยากเราอันนั้นคือความไม่เป็นธรรมมันมันต่างกันอย่างเดียวน่ะนะกลับกัน ใครคนนี้มันเป็นมหาโจรเลยละ่ะมันต้องปอนฆ่ามันเป็นต้องปอนฆ่าวันหนึ่งฆ่าหนึ่งคนเพื่อเอามาเลี้ยงลูกเมียมันอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะนะแต่วันดีคืนดีเนี่ยเขาหยุดกระทันหันนะหยุดกระทันหะันนะเพราะอะไรก็ไม่รู้ว่าทาให้เขาหยุดกระทันหันนั่นนะอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมดาของเขา ทีเราต้องจอดลึกก่อนว่าที่เขาอยู่กับทันหันเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลไหมหรือฝ่ายอกุศลที่ทําให้เขาหยุดทำํำหนึ่งราะเขาเป็นบ้าไปเหรือดียังไงนะเกิดเขาก็ถูกตีหัวเขาจําตัวเองไม่ได้นะเขาลืมว่าตัวเองเป็นโจรด้วยอันนี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมตามธรรมดาที่เขาเป็นแต่ไม่ใช่เขากลับเป็นคนดีนะ เขาเปลี่ยนแค่โจรไปเปลี่ยนเป็นคนบ้าเท่านั้นเองเห็นไหมเอาเป็นว่าธรรมเนี่ยเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่ไม่เป็นธรรมเนี่ยคือสิ่งปรุงแต่งนะเกิดจากกิเลสตัณหาอปทานเกิดจากความอยากอันนี้คือไม่เป็นธรรมคํมถาถามต่อไปคุณธรรมจริยธรรมวัฒ น, นธรรม ต่างกันอย่างไรโดยภาษ า, ามันก็ต่างกันแล้วนะเอออันนี้ก็คุณธรรมก็เขียนไม่เหมือนกันอันนี้จริยธรรมก็เขียนไม่เหมือนกันอันนี้วัฒนธรรมก็เขียนไม่เหมือนกันแต่ที่นี้เขาอยากรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรเพราะกูพูดบ่อยๆไอ้คุณธรรมเนี่ยคือคุณสมบัติตามธรรมชาตินะคุณสมบัติตามธรมนะมมธรมชาติไก่มันออกไข่มันรู้จักฟักไข่ ออกมาเป็นลูกมันรู้จักพาลูกมันเป็นทำมาหากินนั่นคือคุณธรรมคุณธรรมของไก่มันไม่เคยวางแผนเอาลูกไปทิ้งสะพานลอยเลยนะเหมือนแม่คลอดลูกมาไปทิ้งสะพานลอยแม่คนนี้นี่ไม่มีคุณธรรมละมีกิเลสกิเลสความรู้ผิดว่าจะไปเลี้ยงมันเป็นพาละเราแม่ไก่มันยังไม่ทำนะคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติ แต่ถ้าว่าในทางวิชาการเนี่ยเขาเขียนว่าหมายถึงทำที่เป็นคุณคุณธรรมทำซึ่งเป็นคุณนะแน่นอนคนเราทำตามคุณธรรมมันทาตามหน้าที่เราเ ป, เป็นคุณสำหรับชีวิตเราอยู่แล้วนะมันไม่ทำลายนะคุณธรรมคือทำซึ่งเป็นคุณคือคุณงามความดีคุณธรรมเป็นคำรวม ที่เรียกคุณงามความดีที่พุ่งปฏิบัติทุกระดับอันมีผลคือยกระดับบุคคลให้สูงขึ้นตามลำดับซึ่งก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าบุญในศาสนาเช่นทานศีลสุจริตรวมไปถึงเมตตาธรรมขันติธรรมยุติธรรมเป็นต้นเรียกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านี้โดยรวมว่าผู้มีคุณธรรมเช่น ผู้มีคุณธรรมประจาใจย่อมเป็นที่เชื่อถือได้แน่นอนว่าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเช่นท่านเป็นคนมีคุณธรรมจึงมีเมตตาให้ความยุติธรรมต่อลูกน้องเสมอคุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งควรประพฤติควรปฏิบัติเพราะนำสุขมาให้อันนี้เป็นภาษามนุษย์เนาะเพราะมนุษย์เราเขียนภาษาได้ แล้วเราก็พัฒนาคุณธรรมที่เรามีตามธรรมชาติเนี่ยให้มันสูงขึ้นได้แต่สัสาาตว์เดรัจฉานมันมีคุณธรรมระดับพื้นฐานนะระดับพื้นฐานของธรรมชาติมันไม่ต้องไปโรงเรียนมันก็รู้รับผิดชอบเพราะครูพูดหลายปีก่อนนะน้องคีเนี่ยลูกสาวเนี่ยเกิดปีกระต่ายมาถึงพวกก็ไปฝากโรงเรียนในหมู่บ้านพากครูไปเช็คก่อนเออที่นี่ไม่ต้องแข่งขันเรื่องใครรวยใครจนจนหมด ไปไปเรียนได้ทีนี้ผานลงที่โรงเรียนให้กระต่ายมาสองตัวตัวผู้ตัวเมียนะขี่เข้ามาเอามาจทำไมลูกบอกว่าผานลงเขาให้พวกครูเลยต้องให้เขามามาทำรั้วตะแกรงรั้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งไร่ให้กระต่ายมันอยู่กันสุนัขไม่ให้กัดมันนะมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, น, นจนอายุหกเจ็ดเดือนแลวมั่ง พวกคูผิวปากมันวิ่งมาเลยนั่นเป็นมันเป็นกระต่ายป่าเนี่ยเขาเอามาเลี้ยงแต่พานลวงเขาเลี้ยงในกรงเหล็กนะเขาออกลูกหลายตัวแล้วเขาก็ให้น้องขีมาคู่หนึ่งเพราะพวกครูผิวปากวันหนึ่งไอตัวผู้มันวิ่งมาตัวเมียไม่มาเราก็หาตัวเมียมันไปไหนอ่ะนาะเออมันไปอยู่ในมันขุดรูเยอะมากแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนด้วยมันไปขุดรูที่ใต้ชายคาที่กันฝนได้ มีวันนึงมันรีออกมาตอนนั้นขนมันหลุดเป็นหย่อมๆนะรากูเอ้เป็นโรคผิวหนังหรือเปล่าก็ไม่มีแผลอะไรตัวผู้กัดมันหรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่มีทีนี้มันหายไปหลายวันละตอนนี้ไม่ออกมาเลยนะพราะกูก็หาไปฉายไปส่องสองไปเจอไอ้รูที่มันขุดอยู่ใต้ชายคานนี่ยนะมันไปออกลูกแล้วขนที่มันหายไปเนี่ยมันดึงขนมันไปปูให้ลูกมันนอนเห็นไหม มล้ก็เลี้ยงลูกมันด้วยนมก็ออกมากินยามมก็วิ่งเข้าไปเข้ามานะอีกไม่กี่วันไอ้กระต่ายนั้นเจ็ดตัวก็วิ่งออกมาตัวเน้อยเนี่ยถามว่ากระต่ายสาวท้องแรกเนี่ยมันรู้ได้ยังไงมันดึงขนมันรู้ได้งไงต้องขุดลูมันรู้ยังไงต้องดึงขนปูให้ลูกมันนอนเพราะพ่อแม่มันอยู่ในกรงเหล็กเขาเอาผ้าปูให้มันมันอาจจะจำได้ว่าเออมันกินนมพ่อแม่มันนะฮะ มันก็เลี้ยงลูกด้วยนมมันรู้ได้ยังไงมันต้องขุดลูมันรู้ได้ยังไงมันต้องดึงขนลูกให้มันลูกลูกมันนอนเห็นไหมนี่คือมันมีคุณธรรมมันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติเหมือนเหมือนปลาน้ําจลืออะมันทําไมรู้ว่าต้องดอยทวนกระแสเห็นไหมทำไมไม่ไม่มักง่ายเหมือนคนบางคนอยากอยากกลัวอยากอยากอยากจะทันเขาวิ่งไปตามเขาตามกระแสลงทะเลตายหมด กาน้ําจืดมันไม่กระทําเพราะอะไรเพราะมันมีคุณธรรมมันมีสัญชาติญาณญาณรู้ชั้นเป็นสัญญาณในอดีตชาติมันจําได้ไหมรู้ว่ามันต้องทวนกระแสแต่ถ้าเราจับปลามันไปโรงเรียนปุ๊บมันจะมักง่ายมันจะตามกระแสเนี่ยคำตอบทําไมมันทวนกระแสเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กๆไปโรงเรียนต้องระวังนะครูหลงทางไม่พอพาเราหลงด้วยนะนะอันนี้คือคุณธรรม ก็พ่อครูแปลง่ายๆของพ่อครูหลายปีแล้วแหละว่าคุณธรรมคือขชุคุณสมบัติตามธรรมชาติแต่ตอนนี้คุณสมบัติตามธรรมชาติเราหายหมดเพราะเรามี i อแพ็กะเรามีถูกมีผิดมีดีมีชัว่วเรามีการแข่งขันเสรีนะเราอยากชนะคุณธรรมไปถูกครอบด้วยความ รู้ผิดเรียกว่าอาวิชชาเห็นไหมเราคิดตามภาษาภาษานี่มันแฝงด้วยความอยากชนะอยากเอาเปรียบกันคุณธรรมเราจึงหายไปหมดพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราขัดเกลาจิตให้ผ่องใสล้างไอ้พวกขยะความรู้นี่ออกซะไอ้คุณธรรมเดิมมันจะผุดขึ้นมานะทีนี้ใจเยี่ยธรรมอันนี้ก็เคยเล่าอีกนะทีนี้อลรคนใหม่ก็มี พอฟังเรื่องนี้โอเคฟังซ้ำๆมาดีแล้วฟังทีแรกเข้าใจยี่สเปอร์ซตฟังครั้งที่สองเข้าใจห้าสิบเปอร์ซตฟังครั้งที่สามบางทีรู้รมเลยก็มีเนาะก็ครูที่โรงเรียนในประชุมเคยขอพราครูบอกว่าผมขอห้องพิเศษห้องนึงว่เอาไปทำอะไรไปสอนวิชาจริยธรรมเด็กพระครูบอกสอนยังไงให้เรารู้มารยาท เออไหว้ท่านั้นไหว้ท่านี้อันนี้เดียกท่านั้นท่านี้ให้มีมารยาทเพวกครูบอกว่าคุณครูจริยธรรมเนี่ยไม่ใช่วิชาสอนมันเป็นจริยวัตนที่ต้องทําเป็นปกติไม่ใช่วิชาสอนคนไทยเราเจอพุกธก็ไหวใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นจริยธรรมของเราฝรั่งเจอทุกธฮัลโจับมือกันเช็คแฮนด์มันเป็นจริยธรรมของเขา เห็นมแต่จริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่มีอยู่ตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นเพื่ออยู่ร่วมนะมันเป็นจริยวัดซึ่งเราทาเป็นปกติไม่ใช่วิชาสอนจากนี้ไปคุณครูยืนอยู่หน้าโรงเรียนทุกเช้าไหว้เด็กอนวันดีลูกวันดีลูกเดยวเขาก็ไหว้แล้วตอบสอนโดยไม่ต้องสอนคือพาทำเลยเห็นไมอันนี้คือจริยจริยธรรมของคนไทยนะ ก็จริยวัดซึ่งเป็นหน้าที่ที่พึงประพฤติความประพฤติและกิจที่พึงกระทาเป็นกิจวัตรจริยวัดหมายถึงความประพฤติจริยามารยาทท่วงทีวาจาที่งดงามการวางตัวที่เหมาะสมน่าเลื่มใสศรัทธากล่าวคือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรรณะนั่นเอง นะจะิยธรรมจริยวัรปกติใช้ในการยกย่องชมเชยพระสงฆ์แสดงถึงความเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสเช่นกล่าวว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นมีจริยาวัรงดงามได้ทำบุญกับท่านแล้วปลื้มใจไม่หายก็อันนี้เป็นประเพณีอย่างหนึ่งเป็นเป็นข้อตกลงทางสังคม นะประเทศนิไทยประเทศฝรั่งประเทศประเทศนีญ่ปุ่นเจอปุ๊บก็โคง้งอริกะตะกใช่ไหมนั่นคือจริวัดของเขานะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจเป็นประจำไม่ใช่วิชาสอนนะผู้ใหญ่ต้องทำให้เด็กดูนะก็เรื่องนี้ก็ต้องระวังนะบางที แค่เรื่องจะเรียวัตรนี่บางทีเรื่องมารยาทเนี่ยมารยาาทของคนไทยมารยาทฝรั่งก็ไม่เหมือนกันพราะครูเคยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเราเคยมีร้านอาหารไทยที่อเมริกานะไม่ใช่คู่บ่าวสาวคู่หนุ่มสาวนะคู่ตาใหญนะเขาทํางานถึงวันศุกร์คืนวันศุกร์เขาก็มากินดินเนอร์วันศุกร์เขาเลือกร้านบางคูวันเสาร์เขาไปเลือกอีกร้านหนึ่งเขาต้องไปดินเนอร์นะ แล้วก็คุณตาก็จีบคุณยายทุกอาทิตย์คุณยายก็จีบคุณตาทุกอาทิตย์นะให้มันเฟซให้มันสดใสตลอดนะเออเพราะอนจอยดีเดอร์ dinner, เห็นไหมพอออกไปนอกร้านปุ๊บคุณยายกับคุณตาก็ยืนกอดกันคิสจู ก, กันอยู่หน้าร้านคนไทยบอกว่าไม่มีมารยาทเห็นไหมเขาไม่ได้ผิดมารยาทเลยเขาไม่ได้จูแฟนใครสัหน่อยหนึ่ง เห็นไหมมันไม่เหมือนกันอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่คุณธรรมไม่ใช่คุณธรรมทุนสมบัติตามธรรมชาติมันเป็นจริยวัฒของแต่ละชนเผ่านะก็อย่าไปติดดีนะทำดีแค่พอดีอย่าไปติดดีนะ พ่อกูเคยมีตัวเตือนสติอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นหลายปีสำหรับพบ่อครูแล้วนะมันเกิดเรื่องอะไรไม่รู้นะมันเป่งออกมาในจิตพ่อครูบอกอย่าทำให้เขาเกลียดอย่าทำให้เขากลัวอย่าทำให้เขาเกรงอย่าทำให้เขารักอย่าทำให้เขานับถือจงทำให้เขาบูชา อย่าทำให้เขารักถ้าเขารักเราเขาจะทุกข์เขาจะห่วงเราเขาจะคิดถึงเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแสดงว่าเราไปหลอกเขาเราผิดศีลแล้วนะแม้กระทั่งรักนี่อย่าทำให้เขารักอย่าทำให้เขานับถือเขานับถือเพราะอาะเราช่วยเขา9้าครั้งแต่ครั้งที่สิบเนี่ยเราช่วยเขาไม่ได้ เขาจะเลิกนับถือเราทันทีเขานับถือเราเพราะเขาได้จากเราเราเป็นนักมวยจิมชาติเราเก่งมากเขานับถือความสามารถพอเราเลิกเก่งเขาจะเลิกนับถือเราแต่ถ้าเขาบูชาเราเนื่องจากจิตที่บริสุทธิ์ให้โดยไม่ต้องมีอามิตรเหมือนพระพุทธองค์เนี่ยจากเราไปสองพันกว่าปีเนี่ยเรายังกราบไหว้บูชาพราะองค์อย่างบริสุทธิ์ใจนะอย่าไปติดบ่วงนะ ไม่กระทั่งนับถือไม่กระทั่งรักเนี่ยมันแฝงด้วยอามิตรรักเพราะฉันชอบเธอหุนแบบนี้ล่ะบุคลิก่างนี้ล่ะลอ้ลอห่อเห็นไหมเห็นไหมไอนี้สาหรับไม่ชีนะหุนแบบนี้ล่ะหน้าตาแบบนี้ล่ะสวยสวยสำหรับน้องเนใช่ไหม เขาเป็นของเราเราก็ดีใจแล้วมีความสุขพอถูกแย่งไปเราเลยทุก์ไงเห็นไหมนี่แหละถ้าเราเลือกปุ๊บความกิสระจะหายไปทันทีอันนี้ืลองมีเคยพูดเหมือนกันนะมางเดมมันต่อยอดนิดหนึ่งนะเอาผู้หญิงหรือผู้ชายดีพวกครูเคยไปบรรยายที่โรงเรียนเนาะนะที่นี้ผู้หญิงมากกว่า เอาตัวอย่างผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งหล่อมากหล่อมากสมาร์ทมากแต่ขี้เกียจมากแล้วก็จนมากๆเนาะส่วนคนนุ่งนี่ขี้เลมากแต่มันขยันมากแล้วมันรวยมาก เราจะเลือกใครเ อ, อ้อเลือกเอ้ยมันลอยอ่ะมันเป็นดาราก็ได้ไงคนขี้เจียบเป็นดาราได้ไหมเ้าบอกตื่นตีห้ามันตื่นเที่ยงยงี้มันไปเป็นดาราได้ไหมถ้าเราเลือกปุ๊บเราจะสูญเสียอิสรภาพทันทีเลยเราจะได้อย่างเสียอย่างตลอดแต่ถ้าเราไม่เลือกปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นคนอิสรภาพเราจะไม่ติดบ่วงแต่ถ้าเราเลือกไอ้ขี L ้เล แต่มันรวยมากเลยมันให้เงินเรามันจะใช้อะไรใช้ไปเลยนะแต่เดินไปไหนควงไปไหนมันก็อายเพื่อนะเราจะสูญเสียอิสรภาพอย่างหนึง่งเราจะได้อย่างเราจะเสียอย่างถ้าเราเลือกถ้าเราต้องการอิสรภาพเนี่ยไม่ต้องเลือกใครเลยเราเป็นนายตัวเองไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตเราเห็นไหม ถ้าเลือกปุ๊บความมีสารภาพมันหายไปหมดเอาแค่เราไม่เลือกเนี่ยนะเล่นไก่ขันห้านนี่เฉยเฉยนี่เราก็ทุกข์มากมายละบางครั้งอร่อยจนขาดสตินะเคี้ยวเร็วเกินไปฟันก็กัดลิ้นตัวเอง <c oughs> แค่นี้มันก็ทุกข์มากเลยนะยังไปหาเรื่องเอาฟันคนอื่นมากัดฟันเราด้วยนะมากัดลิ้นเราด้วยเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องสนุกมีแต่ว่าก็บอกเด็กๆนะ อดเปรี้ยวกินหวานลูกอดเปรี้ยวกินหวานยิ่งเราฝึกจิตน่ฝึกไปเรื่อยๆจะเป็นผู้หญิงก็ช่างผู้ชายก็ช่างมันยังไม่อ้าปากเราก็เห็นเห็นอารมณ์มันแล้วมันพูดจริงไม่จริงเนาะตอนนั้นใครก็โกหกเราไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเราตัดสินตามสายตาเราเนี่ยลูกเราตตัดสินจากความอยากเราเนี่ยเราจะพลาดเราจะพลาดนะบางคนบอกว่า ฉันเอาสวยละก่อนก็เป็นอารมณ์ตอนนี้ไงแล้วความสวยนี่มันอยู่ยงกุญกภันไหมพอเลือกสวยแล้วกูก็เบื่อแล้วเห็นไหมมันวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะเป็นอิสระภาพก็คือไม่ต้องเลือกไม่แน่ใจอยู่เฉยๆก่นิ่งเฉยตารุงทองลรกใจเย็นๆนะถ้ามันเป็นบุคเพสันิวาส มันเป็นบุญร่วมกรรมร่วมนะวิ่งหนีก็ไม่ได้ไม่ต้องไปสแสวงหาหลบหลุกนะแต่ถ้ามันไม่ใช่ไปฝืนธรรมใหม่ยังไงก็ไม่ใช่มันเป็นกรรมใหม่แล้วเราต้องรับกรรมใหม่นั้นกรรมใหม่นั้นคือตัดสินโดยความอยากของเรามันไม่ใช่ของจริงนะก็คำว่าธรรมคือความจริงซึ่งเป็นของคู่ยกตัว อ, อย่างโละกธรรมเห็นก็มีธรรม โลกกระทำแปบนะถามว่าเป็นเรื่องดีไหมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกขนี่คือก็กระทาไงแต่เป็นธรรมของโลกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าในแน่จิตวิญญาณนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าเราไปหลงลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันไม่จีรังยังย่งยืนความสวยงามความหลออมันก็ไม่เที่ยง เห็นไหมแม้กระทั่งคนรวยมีเงินทองก็ชทั่งมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดเหตุมาเปิดไฟไหมหรือว่าดีไม่ดีรวยแต่ว่าเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุนะมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยโลกกระทำแปดเห็นรรไหมมันก็มีคํำว่าธรรมไงไม่ใช่ว่ามีคําว่าธรรมปุ๊บเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดไม่ใช่นะเอาละโลกกระทำแปดมันคู่กับโลกุตละธรรมโลกุตละธรรมนะ โลกกระทำกับโรกุตตระธรรมนะคล้ายๆกันแต่คนเราฟากเลยนะถ้าโรกุตตระธรรมเนี่ยเป็นทางที่ทำให้เราปลดเปื้องความทุกข์เราได้แต่โรกกระทำเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราไปหลงมันและสุดท้ายเราต้องทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงของมันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงพอเรามีลาบมันต้องเสื่อมลาบแม้กระทั่งเรารักษาจนชีวิตเราแก่เลยไม่มีใครขโมยเลยนะแต่เราต้องตายจากมันไง วันที่เราจะตายเราวางมันไม่ลงเนี่ยทุกมากนะเห็นไมลาบมันต้องเสื่อมมันต้องเสื่อมจากเราเห็นไหมเรารักษามันไม่ได้นี่คือโลกกะระทำแปดมียศเหมือนกันเห็นไหมมียศสักวันหนึ่งมันต้องดีทายเขาก็ต้องไล่ออกมากลายเป็นนายกรนายขอไม่มีไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอำนาจอะไรเลยเนะเพราะมันไม่เที่ยงเขาเรียกว่าโลกกะระทำแปด น, นี้เห็นไหมทําฝ่ายโลกทําฝ่ายโลกุตละเห็นไหมถ้าฝ่ายโลกุตละนี่เรามีทางสําเร็จมีทางจัดการปัญหาเราได้อย่างเบ็ดเสร็จนะไม่ต้องเรียนไหวาตายเกิดอีกอยู่ที่เลือกเอานะจะริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติระเบียบ เป็นระเบียบที่มนุษย์สร้างขึ้นมันไม่ใช่คุณธรรมที่เป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติมันไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติมันเป็นมนุษย์กลุ่มนั้นๆน่นะไปสร้างระเบียบขึ้นมานะแบบแผนที่ดีงามสําหรับจัดระเบียบของสังคมให้เรียบร้อยดีงามอย่างกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายเหตุเราตกลงกันว่าเราจะใช้กฎหมายอย่างนี้ร่วมกันกฎหมายบางอย่างนี่คนไทยบอกว่าผิดฝรั่งบอกว่าถูก เห็นไหมเออพวกเราเนี่ยต้องผัวเมียเดียวเมียเยดียวถูกใช่หไหมแต่ทางอิสลามเขามีเมียห้าคนไม่ผิดเห็นไหมมันเป็นจริยธรรมของแต่และคนกลุ่ม น, นั้นๆมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไปยึดมัน่นถือมั่นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปดา่ามันผิดมันก็เกลียดเราก็ฆ่าเรานะไปทําลายสมมติบัญญัติของเขาเนี่ก็เป็นกรรมนะนั่นแหละ ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในความรู้ในความดีของเราแล้วก็ไปหลงว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยเป็นกรรมเนอะเพราะเราไม่เข้าใจว่าจริยธรรมมันไม่เหมือนกันมันเป็นระเบียบที่มนุษย์สร้างขึ้นจริยธรรมส่วนหนึ่งหมายถึงศีลธรรมกดศีลธรรมและธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับความประพฤติอันดีงามของสังคม เป็นข้อที่ถูกกาหนดการไว้เป็นแนวเนี่ยกำหนดโดยมนุษย์เนี่ยให้เป็นแนวหรือเป็นกรอบปฏิบัติสำหรับคนในสังคมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและเกิดความอบอุ่นความสบายใจไม่หวาดกลัวมันเป็นสมมติปัญญติทางโลกมันไม่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติส่วนคุณธรรมมีมาตั้งแต่เกิดแล้ว เห็นไทาซานเนี่ยตั <Pop keys am expand> ้งแต่เกิดมาจนมันโตขึ้นเนี่ยมันมีศีลห้าอยู่แล้วมันมีคุณธรรมของมันมันไม่เคยหลังแกลิงเลยนะเห็นไหมมันเขาาคุยกับลิงรู้เรื่องคุยกับเสือรู้เรื่องเห็นไมเขามีคุณสมบัติตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พวกูไม่อยากเอ่ยแล้วเนี่ยอันนี้เอ่ยไม่มีเจตนาจะว่าใครเพราะว่าคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นด็อกเตอร์นะ คนที่เป็นด็อกเตอร์ดีก็มีชั่วก็เยอะนะแต่ความเป็นด็อกเตอร์เห็นไหมจบมาพร้อมกันคุยกันไม่รู้ภาษาแต่ชาวนาเนี่สอนไควไถนาได้เห็นไหมเขาไม่ได้ใช้ภาษาคุยกันเขาจิตสื่อจิตปกติเขาก็จูงวัวเขาไปกินหญ้าวัวมันก็รู้ว่าเออเจ้านายมันรักมันพานไปกินหญ้าทุกวันนะแล้วก็ตื่นมันกลับมาเนี่ยแล้วพอ คนเลี้ยงมาพามันไถานามันก็ทําตามด้วยเห็นไหมอันนี้คือจิตสื่อจิตนะอันนี้คือคุณธรรมนะส่วนตอนนี้ความรู้เราเนี่ยเกิดจากวิชาการแล้วเราไปหลงว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเอาความรู้นั้นเน่ยเป็นเครื่องมือเอาเปรียบคนอื่นนะมาเป็นเขาเรียกว่าอาวุธทางปัญญามาห้ำหั่นกันนะอย่าว่าแต่คุณธรรมเลยจะลิยธรรมเนี่ย อย่างละเลยคนมีรู้กฎหมายเท่านั้นมันถึงจะเลี่ยงกฎหมายได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนติดติดคุกติดติดตารางเนี่ยเป็นคนชั่วทั้งหมดนะไม่ใช่เขาแค่เป็นคนได้ยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายเขาเลี่ยนกฎหมายไม่เป็นเตอนนั้นเองคนเลี่ยงกฎหมายได้ไม่ติดคุกไม่ใช่ว่าเป็นคนดีนะนะแถมดีไม่ดีตกนรกด้วยนะเพราะเอาความเอาเปรียบรู้กฎหมายมากกว่าเขาได้เป็นรังแกเขา เนนะจะริยธรรมส่วนที่เป็นเป็นเบญจศีล เ, เช่นไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันนะเป็นส่วนที่เป็นเป็นจริยธรรมนะแล้วก็เบญจธรรมเช่นมีเมตตากรุณาต่อกันประกอบในทางสุจริตตลอดถึงสุจริตธรรมมารยาทสังคม และระเบียบสังคมที่กำหนดกันไว้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อไม่เกิดความเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมเป็นต้นใช่ไมอันนี้คือกติกาสังคมและคนที่มีจริยธรรมคือว่าคนนั้นน่ะไม่ทำผิดกติกาไม่เอาเปรียบคนในสังคมนะคือระบบระเบียบวินยัยคือหัวใจของการพัฒนานะ ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องปลูกฝังคนในชาติให้มีวินัยคนที่คนที่มีวินัยเนี่ยกลายเป็นคนที่มีจริยธรรมเพราะเขาไม่ทำผิดกติกาคนมีวินัยทำตามระเบียบนะแต่ถ้าคนมีความรู้เนี่ยเอาความรู้เราเนี่ยไปหลีกเลี่ยงระเบียบหลีกเลี่ยงกฎหมายนะเลี่ยงถ้าในทางศาสนาเรียกว่าเอาความรู้ทางวิชาการทางศาสนามาเลี่ยงบาี จะเอาเปรียบคนอื่นถ้าในทางโลกเอาวิชาการเนี่ยมาเลี่ยงกฎหมายคนคนนี้เนี่ยไม่มีจริยธรรมนะเขาไม่ปฏิบัติตัวตามจริยวัฒนตามข้อตกลงของสังคมนะไปเบียดเบียนคนอื่นส่วนข้อสุดท้ายนะวัฒนธรรมไอ้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่วัฒนธรรม ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นข้อกําหนดที่มนุษย์สร้างขึ้นกําหนดแต่มันเกิดจากประวัติศาสตร์ยาวนานที่มนุษย์อยู่ร่วมกันกลายเป็นเป็นประเพณีอย่างเมืองไทยมีหลายประเพณีนะทั้งเหนืออีกแบบหนึง่งทั้งยีสานแบบหนึง่งทั้งใต้อีกแบบหนึง่งนะเป็นประเพณีเหล่านั้นนะ่ะกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของท้องถิ่นวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวม ขององค์กรอย่างประเทศเรายังมีหลายวัฒนธรรมนะอีสานเหนืออะไรก็ไม่เหมือนกันนะแต่วัฒนธรรมใหญ่ของประเทศนะวัฒนธรรมใหญ่ประเทศเราตอนนี้เราปกครองด้วยประชาธิปไตยโดยมีพระหมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นพปประปรมุขนะแล้วก็ประเพณีที่เราไหว้กัน อะไรนี่นะกลายเป็นวัฒนธรรมของไทยอง์รวมแต่ของไทยก็แตกเป็นแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันแต่วัฒนธรรมนี้ไม่เกิดจากข้อกําหนดข้อบังคับมันเกิดจากวิถีความเคยชินและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันไงตอนนี้อากาศร้อนตรงนี้เนี่ยเขาก็ทําเป็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยให้มันเหมาะกับสิ่งแวดล้อมเขาทั้ที่อากาศเย็นๆเขาก็ เป็นวิถีเขาเนี่ยให้มันเหมาะกับสิ่งแบบล้อมเขาพอผ่านไปนานๆกลายเป็นวัฒนธรรมเขานะวัฒนธรรมจึงเป็นขององค์รวมเป็นขององค์กรสังคมทั่วไปแต่จริยธรรมเป็นเรื่องของบุคคลจริยธรรมนะเป็นเรื่องของบุคคลนะซึ่งมีวินยัยไม่มีวินยัยวัฒนธรรมเปรียบเสมือนระบบวัฒนธรรมเปรียบเสมือนระบบ นะส่วนจริยธรรมเปรียบเสมือนระเบียบนะที่สังคมองค์กรนั้นๆพัฒนาขึ้นมาจากความเคยชินตามวิถีที่ดำรงอยู่แบบหมู่คณะตามสัญชาตญาณของมนุษย์ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะคิดที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นพวอครูเน้นบ่อยๆนะมนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่แสวงหาความหมาย เพราะไม่เคยพอใจในสิ่งที่ที่ตัวเองเป็นอยู่โดยเฉพาะความคิดแบบมนุษย์ทางตะวันตกพวกคูพยายามจะดึงให้เห็นวัฒนธรรมทุกวันนี้ที่ว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยไทยแท้เป็นแบบไหนนะนะเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้เลยวัฒนธรรมไทยจริงๆเป็นยังไงนะตอนนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยส่วนหนึ่งนักวิชาการเนี่ยไปเรียนจากตะวันตกมาเนี่ย ก็เอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านเราตอนนี้กลายเป็นวัฒนธรรมสองอย่างรวมกันหมดเป็นร่วมสมัยนะมนุษย์เราแสวงหาความหมายเพราะไม่เคยพอใจในสิ่งที่เป็นโดยเฉพาะความคิดแบบมนุษย์ทางวัฒนธรรมตะวันตกจึงมีคำว่าภาษาอังกฤษนะพว ก, กูไปเห็นตรงนี้นะว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมโลกตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้เพราะตะ ว, วันตกก็ชัดมากเพราะพวกพวกูเคยอยู่ที่น่น ความสุขเขาเกิดจากการ c o n v e n i e n t นะคือความสะดวกนะแล้วก็ Feel comfortable รู้สึกสบายนะเทคโนโลยี Technology ทำให้รู้สึกสะดวกแล้วรู้สึกสบายนั่นแหละคือ Happiness นี่คือวัฒนธรรมของเขาความสุขเขาเกิดจากการบริโภคเกิดจากความสะดวกต้องสะดวกก่อนค่อยรู้สึกสบายค่อยรู้สึกสุขวัฒนธรรมเขา แล้วก็นักวิชาการแล้วก็ดึงมาบ้านเรากลายเป็นวัตถุนิยมนะมันมีคำหนึ่งคือ prosperity นะ prosperity เ, เด็กเด็กต้องฟังด้วยนะมันหมายคือคือความเจริญความรุ่งเรืองความสำเร็จความมั่งคั่งความเฟื่องฟูนะ นี่คือการพั ฒ, พฒนาคือเดเวล็อปเมน์ความคิดเขาว่าเขาไม่พอใจในชีวิตที่เราเป็นอยู่ต้องมีการพัฒนาให้มันมีมากขึ้นจเจริญขึ้นนะรุ่งเรืองขึ้ น, นะนต้องสำเร็จด้วยความสำเร็ จ, เ ก, จกเกิดจากยังไงก็ช่างมันเกิดจากทำให้คนอื่นแพ้เกิดจากเอาเปรียบเขาช่างนั่นคือความสำเร็จนะการแข่งขันเสรีจึงเกิดขึ้นทีนี้เขาแยกย่อยนะไอ้คานี้มันแยกย่อย นะข้อที่หนึ่งมันแยกมันียก wealth wealth well done w e l คือความความมั่งคั่งความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์ความมากมายทรัพย์สินทรัพย์สมบัติผลิตผลโชกศัพท์ property คือความสุขเขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขามีมากขึ้น ที่เรียกว่ามีวัตถุมากขึ้นค่อยรู้สึกฟิวส์เียลรู้สึกว่าฉันมั่นคงนี่แหละตอนนี้เราวัฒน ธ, ธ, ธ, ธ, ธรรมตะวันตกเนี่ยมาบวกกับของไทยซึ่งอยู่กันแบบเรียบง่ายมันกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยนะแล้วก็คำที่สองก็คือ c c ก s s Success ก็คือสาเร็จผลสมเด็จ การประสบความสำเร็จต้องมีชัยชนะการมีชื่อเสียงเงินทองอำนาจวาสนาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะต้องสำเร็จก่อนเขาจะมีความสุขนะเขาก็เลยสร้างเทคโนโลยีต่างๆสร้างเครื่องมืออาวุธทางปัญญาเพื่อชนะคนอื่นเพื่อชนะเขาก่อนเรียกว่าฉันสำเร็จถ้าฉันแพ้ปุ๊บฉันพ่ายแพ้ฉันไม่สาเร็จ ความสาเร็จเขาต้องเกิดขึ้นจากการชนะทีนี้โดยธรรมชาติถ้าเราชนะมันต้องมีผู้แพ้การชนะเราเกิดจากเรเบียดเบียนให้คนอื่นเขาแพ้ให้เขามีความทุกข์ทรมานนี่คือความสุขของเขาวัฒนธรรมเราตอนนี้รากลายเป็นวัฒนธรรมมั่วเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของประเทศชาติเราตอนนี้นะ สำเร็จมีเงินไม่พอนะต้องมีชื่อเสียงด้วยเห็นไหมต้องมีลาบยศสรรเสริญเมื่อกี้พระครูบอกลาบยศสรรเสริญมันเสื่อมไงมันไม่เที่ยงแต่ขงข็บอกว่าถ้ามีแล้วนี่มันมั่นคงมันกลับกันกับพวกเราเลยนะว่าเรื่องธรรมของตะวันออกเรากับของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต่างต่อนต่างกันฟ้ากับดินลูกหลานเลยเดงงไปหมดไม่รู้จะไปทางไหนนะทีนี้ มันแยกย่อยอันที่สามคือ richness richness ก็คือเป็นคนร่ำรวยถึงจะมีความสุขพวกครูเคยพูดหลายเดือนก่อนว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะที่ที่ที่อเมริก า, าที่ดังที่สุดในโลกนะฮาวาดฮาวาดเขาวิจัยเรื่องความสุขนี่มาเจ็ดสิบปีเจ็สิบปีนะ ทุกเปิดเทอมใช้นักศึกษานี่สองร้อยคนเนี่ยไปสุมกับชุมชนข้างมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยสองร้อยคนเนี่ยไปหาข้อมูลว่าถามว่าความสุขของคุณคืออะไรหลายคนบอกว่าต้องรวยมีชื่อเสียงปีที่แล้วเนี่ยสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเขาสรุปเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังมาเนี่ยไอคนที่บอกว่าต้องรวยแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นความสุข ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยเขาสรุปว่ามันไม่ใช่เปว่าสุความสุขเกิดขึ้นจากแค่ชุมชนคุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะกันแล้วก็มีเวลาเนี่ยไปเป็นจิตอาสามาเป็นวอร์นเทียร์เขามีความสุขมากในการให้นี่ประเทศที่เจริญที่สุดในโลกหมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้เขาสรุปแล้วแสดงว่าไอ้ทฤษฎดีตะวันตกวัฒนธรรมตะวันตกนั้นนะ่ะล้มเหลว แต่ว่ามันเข้าไปในสายเลือดคนทั้งโลกแล้วเราทำยังไงตอนนี้ลานเข้าไปลูกหลานกันในคนไทยทั้งหมดแล้วต้องได้มาก่อนค่อยความมีความสุขต้องมีเยอะๆค่อยสุขต้องได้เปรียบคนอื่นค่อยสุขกลายเป็นวัฒนธรรมที่ม่วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะทีนี้เมื่อกี้ข้อหนึ่งอ่ข้อแรกคือข้อ A เนี่ยเอ่อ prosperity นะข้อ B นี่ grow Grow โกล์อัเกมเห็นไหมทุกประเทศแข่งกัน Grow u ั up, เรื่อง GDP ใครค้าขายได้เก่งกว่านะมีตัวเลขมากกว่านี่ Grow Up พมันไม่ได้ทำเพื่อชีวิตมันทำเพื่อตัวเลขแข่งกันใครได้มากกว่านะไ อ, ไอ้นี่เป็นเป็นข้อที่สองที่เขาเขาชัดเจนมากตะวันตกนะทีข้อที่ C เนี่ย ทุกอย่างต้องมีการ development ต้องมีการพัฒนาอยู่กับที่ไม่ได้ถือว่าเป็นคนโง่ถือว่าล้าหลังเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชนะสงครามตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีมันพัฒนาจนถึงวันนี้เมื่อกี้พวกูก็ได้ยินคุณหมอเพิ่งมาจากกรุงเทพว่าวันนี้มีข่าวแต่ยังไม่ยืนยันกรุงเทพก็โดนระเบิด 3วันก่อนระเบิดที่ภาคใต้มาไม่ใช่สามจังหวัดภาคใต้นะลามมาถึงประจวบคีรีขันธ์ซึ่งไม่ใช่ภาคใต้เจ็จัจงหวัดพัฒนาถึงวันนี้ไงจนทุกเดือนนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวหลเมินความก้าวหนะ้าความพัฒนาพัฒนาการนะ ภาระที่ค่อยๆปรากฏขึ้นคือเราอยู่เฉยๆไม่เป็นมนุษย์เราต้องการมีมากขึ้นถึงจะมีความสุขพัฒนาจนโลกใบนี้ไม่เหลืออะไรแล้วกว่ามันจะสะสมเป็นน้ำมันไม่รู้กี่ล้านปีสูงขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลมาแลกเป็นเงินมาสร้าง GDP สร้างตัวเลขแข่งกันข้างล่างมันเป็นโพงหมดละมันก็ถล่มถล่มเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิตอนนี้ ที่ฟอริรดาปีที่แล้วนะดู่หลุมก็ยุบลงไปบ้านสองหลังก็ลงไปอนี่คือแผ่นดินสูบนะนะสมัยพุทธกาลคือเทวทัศตอนนี้แล้วมัน็หลุมมันมันมันกลมๆหมดนะมันเป็นกลมๆหมดเลยไงนั่นแหละคือเจาะบาดาลเจาะน้ามันอะไรเนี่แหละเราน้ำขึ้นมาเร็วเกินไปเนี่ยมันสำรองมันมันปรับสมดุลไม่ทันมันก็ยุบไงนี่คือฝีมือมนุษย์ เพราะเราตั้งโจน์ให้ชีวิตผิดเราทำลายล้านจนไม่เหลืออะไรเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็อันตัวสุดท้ายนะ augmentation น, น, นะ augmentation ม, มันแปลว่าการเพิ่มภาระที่ถูกเพิ่มปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่มเห็นไหมวัตถุนิยมทั้งหมดมีมากถึงจะดี อยู่เฉยๆถือว่าเธอล้าหลังมันแซงมันแซงทุกคนก็มุ่งหน้าสร้างวิทยาศาสตร์สร้างเครื่องมือการทําลายล้างโลกใบนี้ให้มันเร็วขึ้นเพื่อเอาสเปรดของโลกเนี่ยมาแลกเป็น GDP มาแข่งกันความสุขเขาเกิดจากการล้างผ่านตอน น, านะตอนนี้จบแล้วนะตอนนี้จบแล้วมันถึงจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแล้วไม่ใช่เพราะเมืองไทยเมืองไทยนี่ปลายเหตุพ ก, กูบอกแล้วพวา ก, กูพูดหลายปีก่อนเนี่ย ต่อไปนี้เนี่ยไม่รู้ใครจะโดนแจ็คพอร์ตนะมันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้มันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคนเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนีคำว่าก็พอครูสรุปถึงพระธธรรมตัวนี้ให้ฟังนะความคิดและความเชื่อว่าถ้ามีเพิ่มขึ้นหมายถึงความมั่นคงทฤษฎีความเชื่อนี้ได้ถูกตอบรับของผู้คนส่วนใหญ่ บง่งเพาะความเคยชินเลยพัฒนากลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ซึ่งเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยใช้ประสบการณ์ของชีวิตที่แท้จริงวัฒนธรรมโบราณน่เขาอยู่กันแบบธรมธรมชาติพอเกิดภัยธรรมชาติปุ๊บนะเขาก็ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเขาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้คนในชุมชนนั้นปลอดภยัย ว่าถ้าทำทุกวัฒนธรรมเน่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ทุกคนปลอดภัยวัฒนธรรมโบราณแต่วัฒนธรรมทุกวันนี้เนี่ยเพื่ออำมาสนองตัญหาเพื่อว่าใครจะรวยกว่ากันเป็นวัฒนธรรมไม่เกิดจากประสบการณ์มนุษย์ไม่มีประสบการณ์เลยนะยุ่านานิคมเขาเชื่อว่าถ้ามีนานิคมเยอะๆปุ๊บมันจะมั่นคงมันล่าไปล่ามาผู้ล่าก็ทุกผู้ถูกล่าก็ทุกไอเดียนี้ก็ล่มสลายอีกเห็นไหม เอาใหม่ยุคค้าขายเสรีใครค่ายใครค้าค้าใครค่ขายขายขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเอามนุษย์เป็นสินค้ายุคค้าทาดค้าไปค้ามามนุษย์ไม่ใช่สัตว์สิ่ของก็เกิดแรงต้านต่างคนต่างทุกไอเดียนั้นก็ล่มสลายอีกยุคเรานี่เป็นยุคที่เนี่ยยุคเรานี่ยุคเราเนี่ยเด็กๆฟังนะลูกนะเรารุดเดียวกันนะลูกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รุ่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเจอมันกำลังจะใกล้มาตัวเรามานัน่นแหะนะยุคทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยพอกระบวนการผลิตมันมันต้องใช้พลังงานพลังงานทุกหยดทุกกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาจากการทาลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดตอนนี้ไปไม่รอดละเห็นแล้วว่า ความคิดนี้ก็ผิดอีกแล้วมันแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเมืองไทยไม่เคยทะเลาะกันก็ทะเลาะกับเขาด้วยเพราะว่ามันติดเชื้อแข่งขันเสรีการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องนะมันลามมาเรื่อยๆสมัยก่อนมีแค่สามจังหวัดภาคใต้มันมีเหตุของมันอยู่ไม่เกิดขึ้นได้รอยหรอกความเครียดแค้นของเขาอะไรอะไรนะนะพวกครูบอกแล้วว่า เดี๋ยวมันจะเข้ามาในเมืองนะถ้าคนเขายอมตายแล้วนี่เอาเขาไม่อยู่หรอกเอาเขาอยู่คุ้มไหมพวกคนมันกลัวตา ย, ยางไงมันไม่กล้าทำแต่ถ้าคนมันยอมตายแล้วเขาเรียกว่าคาบอมฆ่าตัวเองตายเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะเขาแค้นจนเขาไม่อยากจะอยู่แล้วเขาถูกลังแกลูกเมียก็ถูกรังแกงเงี้ยตอนนี้ไปทั่วโลกนะ น, นะนะเมืองไทยมันเข้ามาเคาะประตูบ้านเราแล้วนะก็ วัฒนธรรมใหม่หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยในสังคมมนุษย์ในยุคนี้จึงไม่ใช่วัฒนธรรมซึ่งเกิดจากประสบการณ์จริงๆของมนุษย์ลองถูกลองผิดเพื่อสนองความหมายที่ตัวเองต้องการโดยไม่คํานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานและสรรพสิ่งในโลกนี้เอาทุนนิยมเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางไม่เอาชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่งเป็นเป้าหมาย มนุษย์เรายุคนี้เราเผอแล้วล่ะขี่หลังเสือแล้วอยู่ที่ว่าเราจะล้มกระดานยังไงมีสามอย่างลูกไม่ใช่พระกูทํานายนะเราก็เห็นไงหนึ่งภัยธรรมชาติซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมนุษย์ทำลายความสมดุลของมันทั้งดินน้ำลมไฟมันอาละวาดทั่วโลกล่ะไฟป่าลุกไหม้ที่หนึ่งหลายหมื่นเป็นแสนไร่ ยิ่งไหมก็ยิ่งรอนนะแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนแรงไฟไหม้ป่าตอนนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะพร้อมกันแรงๆถ้ามันมันตัดพร้อมกันสี่อย่างนี่นะหมดเลยนี่ล้มกระดานเกมนี้จบแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะมีอีกสองอย่างอย่างที่สองก็คืออาวุธนิวเคลียร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสงครามนิวเคลียร์ สงครามล้างหนี้เพราะประเทศที่เขาเป็นเจ้าลทัทธิเนี่ยเขาใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เขาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกวิธีล้างหนี้เขามีอย่างเดียวก็คือล้มกระดานเกมนี้กําลังจะเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเคยเคยขึ้นในโลกใบนี้แล้วในอดีตอย่างนาครวัดนครธมเนี่ยสมัยก่อนเป็นหนึ่งในสิบของโลกนะตอนนี้เขาไปเจอเจอเจอบริเวณใหม่กําลังขุดใหญ่ยยกว่าเก่ามากเลยตอนนี้ใหญ่ที่สุดในยกใหญ่ยยกว่าสิบ มันจัดสิปการของใบอย่างน่ะแต่พอมันจเจริญทางวัตถุมากๆเนี่ยจิตใจมนุษย์มีกิเลสมันเปื้อนโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดเกิดขึ้นล้างเผ่าพันธุ์ตอนนี้อีโบล่าอะไ ร, ะไรๆเกิดมาต่อไปอีดำอีแดงกำลังจะมาจ่ออยู่แนละ้วเพราะขยะสารพิษมันเต็มไปหมดนี่คือฝีมือมนุษย์สามอย่างนี้จะล้างบางังนะมันก็กาลังเกิดขึ้นแล้ว คอมเพนทอเรียนะอันนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งเกิดขึ้นโดยฐานความคิดจากวัตถุนิยมไม่ใช่เกิดจากวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตแต่เป็นวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่เชื่อว่าเมื่อมีวัตถุโภกทระซย์อย่างมากมายจะทําให้เกิดความมั่นคงพวกครูเคยบอก ในเกษตรพวกชีวิตยังมีนะไปอ่านนะหนังสือเร่อนีไ้ไม่มีไม่มีล้าสมัยจิตพวกกูเขียนออกมาตอนปี4ี่ศูนย์เศรษฐกิจมันลงมอ่ะมันออกมาเลย ะ, ะเจริญตปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงซะหน่อยหนึ่งมันไม่ได้แปลว่ามั่นคงแล้วมันไม่ได้แปลว่าสุขด้วยกรุงเทพจเจริญไหมจเจริญเห็นไหมจเจริญกว่าเก่าสมัยก่อนพ่อคูยอยู่สีพญานะ มีรถลางกังกังกัช้าชาได้พาเล่มงามพ่อครูขับรถจากศรีพยาไปไปสวนลุม ไ, ไปไปสนามหลวงสิบนาทีตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงเลยมันเจริญไงเจริญเพรว่ามีมากขึ้นรถมีมากขึ้นคนมีมากขึ้นการแอดมากขึ้นรถติดมากขึ้นเสนเวลามากขึ้นนั่นคือเจริญไงมันไม่ได้แปลว่ามั่นคงเราถูกหลอกนะ แต่ตไป ว, ว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเห็นไหมประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมันเป็นหนี้มากที่สุดในโลกถ้าเราอยู่กันแบบวิถีไทยเราเออปลูกข้าวไปขายขายได้มาร้อยบาทก็อยู่ในเมืองไทยร้อยบาทอันนี้ไปส่งเสริมให้บริษัทนั้นไปมาลงทุนนะอยขายออกเยอะของเราขายร้อยบาทมันส่งออกไปล้านบาทเข้ามาปุมันส่งกลับบ้านมันเก0 0 0สนกว่าแล้วเอาขยะสารพิษมาทิ้งกับเราเราไม่ได้อะไรเลย พราะกูไปเชียงใหม่เท่านี้นะไหนพาซานัินประเทศจีนมาซื้อเจ็ดสิบซคนจีนมาเทีย่ยวพวกเค้บก็ไเอาเข้ามเงินกระเป๋าคนจีนนะเขามาทําโรงงานอะไรโดยมาอยู่ข้างๆวัดที่พวกกูไปสอนน่ะโรงงานอบอบนมันไแห้งเขาใช้แรงงานพมา่าเขาเรียกว่าทัวร์ศูนบาทไนงะเขามาเที่ยวเมืองไทยได้ศูนย์บาท แล้วก็ได้ขยะที่เขาทิ้งมาสร้างมนุ์ภาวะเราไม่ได้อะไรเลยเราโดนหลอกนะถ้าเรามีเงินเดือนห้าพันบาทเอาเมืองไทยถ้าขายได้ห้าพันบาทห้าพันบาทเป็นของเราเราใช้ไปสามพันบาทเราเหลือสองพันเรารวยแค่สองพันแต่ถ้าเราส่นออกแสนบาทแต่เราใช้ไปแสนสองเราเป็นหนี้สองหมื่นไม่ใช่เยอะแล้วก็ดีนะ เราโดนหลอกเรหลุกมันไม่แปลว่ามั่นคงเนี่ยวัฒนธรรมใหม่นี่เป็นวัฒนธรรมมั่วพวกหลอกมั่วลวนะลูกผีลูกครึ่งลูกผส ม, มระหว่างควายกับหนูคนเห็นไหมระหว่างควายกับหนูใช่ไหมถอยหลังก็ไม่ได้ไปหน้าก็ไม่ได้น่าสงสารมากนะไม่รู้สงสารใครนะ <c oughs> พวกกูก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละ นะไม่รู้ว่าใครจะโดนก่อนใครก็ไม่รู้นะก็ก็เป็นการส่งเสริมให้ละเลยและทําลายวัฒ น, นธรรมเก่าแก่ซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของชีวิตถูกทําลายไปวัฒ น, นธรรมโบราณเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันภัยให้ลูกหลานเราปลอดภัยอย่างหลายปีก่อนพว ก, กูเห็นรายการหนึ่งเขาสัมภาษณ์ผู้นำกะเลี่ยง ผู้นํากะเหลียงนะเห็น ไ, ไหมเขาถามมาทําไมผู้หญิงกะเหลียงนี่ต้องคอยาวเขาบอกสมัยก่อนเขาไม่ได้คอยาวเขาอยู่ตามลําพังของเขาถ้าโดนเข้าไปไม่ถึงแต่วิจเจิริญเข้าไปถึงแล้วเนี่ยคนเมืองก็ไปที่นู่นก็หลอกลูกสาวเขามาเขาเลยทาสั ญ, ญลักษณ์ปีหนึ่งห่วงหนึ่งคอยยาวๆนะตั้งแต่นั้นมาลูกสาวเขาปลอดภัย ขาสร้างวัฒนธรรมเพื่อทำเพื่อปกป้องรักษาเผ่าพัานธุ์เขาไม่งั้นลูกสาัยเขาถูกมั่วเผ่าพันธ์เห็นไหมวัฒนธรรมเขาจัดเขาสร้างวัฒนธรรมเพื่อรักษาเผ่าพันธ์เขาตอนนี้เราทําลายวัฒนธรรมเราเพืวิ่งตามเขาเสร็จเ้าหมดเลยเห็นไหมคนโบราณเขามีปัญญาแต่คนรุ่นนี้มีแค่องค์ความรู้วิชาการบางทียิ่งเรียนยิ่งโง่คุยกันไม่รู้เรื่อง เราเหอวัตถุนิยมจนเราลืมถ้าภาษาชาวบ้านบอกลืมกําพืชลืมรากเน่าเราเนี่ยมันจะมั่นคงได้ยังไงมันบึงต้นไม้นี่ไป ม, มันจะทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ได้เราเราขาไม่ติดดินนะเราทิ้ ง, างารากเน่าลอเลยไงตอนนี้แก้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ตัวใครตัวมันเราพึ่งสังคมไม่ได้เพราะสังคมเองเนี่ยกลเป็นสังคมลูกผีลูกลูกผีลูกคนไงนะ วันธรรมถูกทำลายหมดก็ยกตัวอย่างกะเลี่ยงเนี่ยเขาหนุ่มผมเชือผ้าเป็นวัฒนธรรมเขาเพื่อป้องกันภัยเอาคุณกล้าขโมยลูกสาวก็เอาไปไหนเขาก็รู้ไงกระเลียงไงเห็นไหมตำรวจที่ไหนมันก็เห็นนะทีนี้โอ๊กะเหลี่ยงคอยาวหน้าเกลียดมากคนโบราณก็บอกคอเราหงเหมือนหงมเลยนะกะเลียงเขามองเราไอ้พวกคนนี้วันนี้พวกคนในเมืองคอสั้นๆหน้าเกลียดจังเลยเห็นไหม มันอยู่ที่ว่าใครจะมองยังไงนะคนโบราณก็บอกผู้หญิงถ้ายื่นคอเรหงเนี่ยโอ้สวยเลยใช่ไหมนะพมืเรามองเขาน่าเกียดเขาบอกพวกเธอแหละน่าเกียดคอสั้นๆไม่รู้ตัวอะไรแล้วก็อย่างยตัวอย่างตอนนี้นะเช่นการนุ่หงห่มเสื้อผ้าซึ่งปกปิดตามฤ ด, ดูกาลกลายเป็นการการนุ่หงห่มเชื่อว่ากลายเป็นการแต่งตัว แต่งเพื่อให้มันสวยงามเป็นแฟชั่นเพื่อจะซื้อจะขายกลายเป็นธุรกิจหมดหรืพวาะถ้าทำถูกกกืนเพราะธุรกิจนิยมใช่ทำให้เกิดความร่อแหลมทางสังคมตามมาผู้หญิงนุ่งของสชั้นๆอะไรเหมือนเราไปอ่อยเหยื่อนะอา้ามันก็ตะคุบเหยื่อสิก็เราเราสร้างกรรมเองไงถ้าเราเชื่อคนโบราณแล้วเนี่ยตอนนี้พวกคูต้องยกนะ เขาลบนับถือทางอิสลามเขาเขาปิดหน้าปิดตาเขากันไม่ดีกว่าแกบ้านเราโชว์โชว์โชว์อยากให้เขาตะคุบไงเขาก็ตะคุบจริงๆไงแล้วมานั่งร้องไห้ลูกไม่มีพ่อเราโง่หรือเราฉลาดนะเห็นไหมเรากลัวขายไม่ออกใช่ไหมคนโบราณเขาไม่เขากันไม่ดีกว่าแกเห็นไม ว่าทนธรทมการแต่งตัวเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหน้าหนาวควรแต่งยังไงหน้าร้อนแต่งยังไงแ ต, แต่แต่งแบบปกปิดไม่ใช่ไปเปิดเผยแบบนี้อิสลามเขายังรักษาอยู่แต่บ้านเราเนี่ยอิสลามก็คนไทยนะฮินดูว่าคนไทยมีหลายคนเราแยกไม่ได้ว่าคนไทยต้องเป็นแบบไหนเรามีเรามีหลายเชื้อเชืชาติผอพันก็เป็นคนไทยเหมือนกันแต่เขายังรักษาวัฒนธรรมของกลุ่มน น, นั้นนะ ตอนนี้น่ากลัวมากก็อันนี้สุดท้ายจริงๆเนาะสุดท้ายหลายสุดท้ายแล้วเนาะก็เป็นคําเตือนสติเพราะมันเกิดเหตุยี่สบเจ็ดปีอยู่ที่นี่ก็เกิดเหตุบางคนปฏิบัติมาดีๆดีๆดีๆพอวิบากกรรมเนี่ยมันมาตีหัวปุ๊บนะลุกไม่ขึ้นเลยก็ไปอ้างว่าเป็นพ่อมาสูนเพราะครูบอกแล้วว่าถ้าไม่พร้อมอย่าปฏิบัตินะ นะปฏิบัติแล้วเราจะเพียนในสายตาคนอื่นแล้วเราจะเป็นคนสิ้นคิดเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตเราจะเป็นคนไม่มีวันผุดวันเกิดถ้าเราไม่มีนิพพาน เ, นเป็นเป้าเราจะถูกมารหลอกนะแล้วก็เรื่องนี้เป็นการเดินสตินะพวกครูเขียนออกมาเมื่อคืนนี้เองว่าอยู่ที่นี่อาจจะตายฟรีนะเพราะไม่ได้ซับอะไรเลยเออกไปหาข้างนอกยังมีเงินมีทองนะ อยู่ที่นี่อาจจะตายฟรีแต่อยู่ที่นั่นอาจจะตายเปล่าเพราะไม่ได้มีโอกาสสร้างอริยทรัพย์เลยตายเปล่าถึงจะได้เงินกับช่างคุณก็เอาเงินบาทหนึ่งก็ไปไม่ได้นะสาคัญคือตายแล้วไปไหนสาคัญคือตายแล้วไปไหนนะเราต้องเกิดรับผลกรรมแน่แต่ถ้าคุณไม่สร้างอริยทรัพย์ไว้เนี่ย นั่นแะคุณตายเปล่ามีคนบอกนะอยู่ที่นี่ตายฝีนะก็ถูกแล้วไงทุนนิยมไม่ได้คิดว่าฉันทำแล้วฉันจะได้อะไรมาถึงทุกกันทุกวันนี้ไงนะที่ทำได้คือหยุดสร้างกรรมที่ทำได้คือหยุดสร้างกรรมทั้นตายฝีตายเปล่านั่นแหละคุณต้องหยุดสร้างกรรมไอ้ไปพูดต่อต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต่อนั่นแหละสร้างกรรมใหม่ระวัง มันจะตายเปล่าทำดีละชั่วขัดเกลาจิตเป็นคติธรรมประจำวันอาทิตย์นี้เจ็ดพยานทั้งนั้นอยู่ที่นี่อาจจะตายฟรีอยู่ที่นั่นอาจจะตายเปล่าสําคัญคือตายแล้วไปไหนที่ทําได้คือหยุดสร้างกรรมทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใส